เรื่องภิกษุถูกงูกัด511สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดภิกษุอีกรูปหนึ่งจะเข้าหมู่บ้านด้วยคิดว่าจะไปนําไฟมาแต่ครั้นแล้วมีความยําเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลจึงไม่ยอมเข้าไปแล้วนําเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ